สวัสดีครับพี่น้องครับในวันนี้เรามาถึงบทสรุปนะครับชีวิตพระเยซูตอนที่สี่สิบสองครับข้อย่อยก็คือพระเยซูกับนิโคเดมัสตอนที่ห้าครับซึ่งเป็นบทสรุปของพระธรรมยอห์นบทที่สามพี่น้องครับในพระธรรมยอห์นบทที่สามนะครับเรารู้ว่าข้อที่สิบหกนั้นสําคัญที่สุดเป็นข้อที่บ่งบอกถึงแผนการของพระเจ้าเพี่น้อครับในวันนี้เราจะมาทบทวนการถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในพระธรรมยอห์นบทที่สามนี้นะครับ ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าประ ก, การแรกนะครับที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าเรารู้เรื่องของการบังเกิดใหม่พระเยซูสอนว่ามีการบังเกิดสองอย่างนะครับบังเกิดจากน้ําก็คือบังเกิดจากสารกเป็นการบังเกิดฝ่ายร่างกายบังเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตของเขาก็เป็นการบังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณนั่นเองก็คือบังเกิดโดยพระวิญญาณคนที่บังเกิดใหม่นั้น นะครับเขาจะได้รับสิ่งที่ต่อมาซึ่งเป็นประการที่สองก็คือเขาจะได้รับเป็นประชากรของแผ่นดินของพระเจ้าเราเรียนรู้นะครับว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นมีอยู่สองที่ครับก็คือบนสวรรค์และในโลกนี้บนสวรรค์ก็คือเป็นการชุมนุมของผู้เชื่อเป็นการที่ผู้เชื่อนั้นมีสมรรคิธรรมด้วยกันกับพระเจ้าและในขณะเดียวกันมีความสมรรถคิธรรมด้วยกันกันกบพี่น้อง ที่มันผู้เชื่อด้วยกันบนแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินสวรรค์ที่อยู่บนสวรรค์นั้นเป็นแผ่นดินที่ไม่มีความบาปครับมีแต่ความชื่นชมินดีไม่มีเสียงร้องไห้กั้มครวญไม่มีความทุกข์ยากลาบากไม่มีน้ําตาแต่แผ่นดินของพระเจ้าที่เปียสุ ข, ขอให้มานอยู่ในโลกนี้ยังมีความบาปอยู่ยังมีน้ําตาอยู่ยังมีความทุกข์ยากอยู่มันเป็นช่วงท r a n s i t i o n ก็คือการเปลี่ยนผ่าน แล้วเนื่งนองายได้ลิ้มรดความรักที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าคือกิจจักรของพระองค์ในโลกนี้นะครับซึ่งเราต้องอธิษฐานต่อไปว่าขอให้สภาพของแผ่นดินของพระเจ้าที่ตั้งอยู่บนสวรรค์นั้นบังเกิดจากเพื่อเจักรของพระองค์ในโลกนี้ด้วยนะครับที่คือประการที่สองที่เราได้เรียนรู้ประการที่สามครับเราได้เรียนรู้ถึงเกี่ยวกับการมีชีวิตนิรันต์นะครับชีวิตนิรันต์นั้นคืออะไร ชีวิตนิรันดร์นั้นมีอยู่ห้าประการนะครับที่สําคัญสําคัญพี่น้องครับผมอยากทบทวนพี่น้องครับชีวิตนิรันดร์นั้นก็คือการที่ไม่ต้องเข้าสู่การพิพากษาการพิพากษานั้นก็คือนํามาถึงความตายความพินาศ ค, ครับประการที่สองก็คือว่าชีวิตนิรันดร์นั้นเราได้รับทันทีโดยมีการันตีจากพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์เกิดจากความเชื่อความศรัทธาความไว้วางใจประการที่สามครับชีวิตนิรันดร์นั้น เราจะได้อย่างสมบูรณ์แบบครับเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วนะครับชีวิตนิรันดร์นั้นจะเป็นชีวิตที่เป็นรับทันทีในขณะเดียวกันก็จะสมบูรณ์เมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วประการที่สี่ครับชีวิตนิรันดร์นั้นมาทางพยายคชุกิดองเดียวตนเองเพราะไม่มีนามอื่นจึ่งช่วยให้เราทั้งหลายรอดได้ประการสุดท้ายครับ ชีวิตในวันนั้นอยู่นอกเหนือมิติของเวลาเพราะฉะนั้นเวลาจึงไม่มีความสําคัญกับเราอีกต่อไปเมื่อมีเวลาแน่นอนครับเกิดความเสื่อมเกิดการหายเกิดการยุบเกิดการหมดไปแต่เมื่ออยู่ในมิตินอกเวลานะครับเป็นมิตินอกเหนือการควบคุมของเวลาแล้วนะครับหรืออยู่นอกเหนือมิติของเวลาเราจะไม่มีความเสื่อมเราจะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปเป็นนิจ พี่น้องครับนี่คือชีวิตนิรันดร์ครับและในวันนี้ซึ่งเป็นวันสรุปนะครับผมอยากอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเป็นทางเลือกครับสองทางระหว่างความมืดกับความสว่างความดีกับความชั่วหลักการพิพากษามีอย่างนี้นะครับพระเยซูสอนว่าความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์ได้รักความมืดมากกว่าความสว่างเพราะกิจการของเขาเร็วสามเพราะเหตุทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่าง และไม่มาถึงความสว่างด้วยว่าเขากลัวการกระทาของตนจะปรากฏเราเห็นภาพนะครับว่าสมมุติว่ามีคนกำลังจะขโมยรถยนต์เขาจะต้องคอยจนกระทั่งมืดนะครับและคนนอนหลับแล้วแต่ถ้าในทันทีแชนใดนั้นเจ้าของเปิดไฟฉายเปิดไฟบ้านส่องมาที่ตัวขโมยขโมยคงจะวิ่งหนีหรือตรงเข้าทําร้ายเจ้าของรถ E นะครับเราเห็นนะครับว่าในตัวอย่างนี้แสงสว่างนั้นเปิดเผยให้เห็นความผิดที่เก่ากำลังทําอยู่และในข้อเหล่านี้พระเยซูทรงเป็นความสว่างครับเช่นเดียวกับแสงสว่างในธรรมชาติซึ่งเผยสิ่งที่ไม่เห็นในความมืดพระเยซูทรงเผยให้เราเห็นว่าความบาปของเรานั nee ้นเป็นสิ่งที่ผิดเยซูเผยผ่านอะไรครับผ่านคําสอนของพระองค์ที่บันทึกอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าฉะนั้นเราจึงมีความกระจ่างแจ้งสว่างครับ ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นถูกหรือผิดพี่น้องครับหลายแลาคนเมื่อทำผิดมักจะอ้างเหตุผลแต่อ้างว่าตัวเองไม่ผิดแต่ว่าในโพชนะของพระเจ้ากล่าวชัดเจนครับว่าถูกหรือผิดให้เราสังเกตในข้อสุดท้ายนะครับของพมพีบทนี้กล่าวว่าผู้ที่ประพฤติ ช, ชอบก็มาสู่ความสว่างพระเยซูทรงเป็นเหมือนกับเป็นแม่เหล็กนะครับดึงดูด ใครก็ตามที่ได้ยินเรื่องราวของพระองค์และฐานการแห่งความพรอดของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนาเขาให้เขากลับใจให้เขาต้อนรับพระเยซูเราจะพบว่ายอนนะครับได้บันทึกถึงการจบการสนทนาระหว่างพระเยซูกับนิโคเดมัสแต่เพียงเท่านี้ยอนไม่ได้บอกว่านิโคเดมัสเชื่อพระเยซูในคืนนั้นเลยหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามครับในบทต่อๆมาเราจะพบว่า เมื่อสภาแซนเฮตรินครบคิดกันสมครบคิดกันที่จะฆ่าพระเยซูนิโคเดมัสก็ออกโรงพูดขึ้นมานะครับในพระธรรมยอห์นบทที่เจ็ดข้อยี่สิบห้าถึงข้อที่สี่สิบสี่บอกว่าไม่หยุดทำที่จะตัดสินพระเยซูโดยที่ยังไม่ได้ไต่สวนนี่คือสิ่งที่เป็นผลพวงจากการพูดคุยในค่ําคืนวันนั้นนะครับหลังจากที่พระเยซูทรงชิบเผชนแล้วอีกเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในยอห์บทที่สิบเก้าครับแค่พี่น้องมีโอกาสเปิดดูนะครับ เราจะเห็นว่านิโคเดมัสกับโยเซฟชาวอาริมาเทียขอรับพระศพของพระเยซูจากกางเขนเพื่อเตรียมฝังพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญของบทเรียนในวันนี้ซึ่งบทสรุปก็คือว่าพระเยซูทรงสอนนิโคเดมัสครับขณะที่พระองค์ได้มอบแผนการแห่งความพรอดนะครับให้กับพวกเราทั้งหลายทุกคนในชีวิตของพระเยซู ก็คือแผนการความรอดนั้นเปเยซูจะต้องเสร็จเข้ามาในโลกนี้สิ้นพระชน ม, ม์บนแม่งเขนนำความรอดมาถึงเราทั้งหลายทุกคนพี่น้องครับก่อนที่จะจบในวันนี้ผมอยากจะถามพี่น้องนะครับว่าเราทั้งหลายได้รับความรอดแล้วหรือยังเราควรจะอธิษฐานเผื่อ่อกันและกันเผื่อเพื่อนของเราที่ยังไม่ได้รับความรอดเผื่อผู้ที่เราทั้งหลายรักในครอบครัวของเราที่ยังไม่ได้รับความรอด ถ้าว่าใครก็ตามที่ยังไม่ได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดของตนส่วนตัวนะครับเราจะต้องอธิษฐานนะครับโดยการกลับใจเสียใหม่สํำนึกว่าตัวเองเป็นคนบาปครับเราควรจะต้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดเราจะต้องตัดสินใจติดตามพระองค์ตลอดไปครับพี่น้องครับถากว่าท่าน ยังไม่เคยทําแบบนี้จริงๆท่านยังไม่ได้บังเกิดใหม่จริงๆนี่เป็นวาระที่สําคัญที่สุดในชีวิตของท่านครับเป็นโอกาสที่สําคัญที่สุดในชีวิตของท่านที่เราจะสํานึกว่าเราเป็นคนบาปเรากลับใจใหม่ไม่อยากทาบาปแล้วเราทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้าและเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดและติดตามตัดสินใจที่จะติดตามพระองค์ตลอดไป เนี่ยครับเป็นกระบวนการแห่งความรอดที่ทำให้เราทั้งหลายบังเกิดใหม่พี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านที่เราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งบนแผ่นดินสวรรค์หลังจากฟื้นจากโลกนี้ไปแล้วอาเมน